เออเอานั่งประจำทีนะ่นาทเน่เนาา่าคณะทัายาโจมลูกหลานเดี๋ยวมีอะไรหลวงพ่อจะเล่ า, ลาให้ฟังบางเรื่องก็พวกเราก็รู้แล้วว่าแต่บางเรื่องบางราวพวกเราก็เออยังไม่ได้ยินนะเพราะนั้นท่านจึงกล่าวในหลักธรรมคำสอนว่าผู้ฟัง ยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไม่สนใจเพราะได้ฟังแล้วได้ยินแล้วนะแต่สิ่งที่มันไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ต้องสนใจในในเรื่องนั้นเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราวันนั้นการพูดการฟังแต่หลวงพ่อถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าการพูดนี่ถ้าพูดเป็นศีลเป็นธรรมพูดเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเนี่ พูดดีกว่าไม่พูดนะเออบางคนพูดมากแต่ลุงพ่อก็เห็นด้วยจะว่าพูดมากพูดเออไม่มีเหตุมีผล ม, มาลำ้ำจ้ำจากไปเรื่อยพูดจะน่าก็เออมันน่าลําคานนะแต่ลุงพ่อเองก็มองลุงพ่อเองเหมือนกันนะคณาสัตยา ญ, ญาณโยมลูกหลานนะเออลุงพ่ออีทนี่พูดมากหรือเปล่านาเลยแต่ลงุงพ่อทั้งวีทั้งวันเน่ะ ก็มาพูดแต่ตอนเช้าน่ยให้พวกคณะสัตยาญาติโยมฟังเท่านั้นน่ะและ้วก็อยู่ในวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันพออกพูดตอนเช้าจบแล้วหลวงพ่อก็โน่นตอนบ่ายสัตยาญาติโยมมาจากทิศทางไกลามาก็เข้ามาหาถ้ามาหาเดี๋จะมากราบ พ, พระพุทธรูปเฉยๆมานั่งจุก ป, ปุกไม่พูดกันมองแต่หน้ากันก็ไเลยอยู่อีกนะ่ะเออก็ต้องได้หาเรื่องที่มาพูดขึ้นฟังเออมายังไงไปยังไงเอออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเออ หยาดโยมมาจากโคราชพอมาถึงแล้วก็แต่ เ, เขาก็บอกว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อแนะนํเานเขาคนนี้ด้วยเพราะว่าลูกเขาก้าวร้าวลูกเขาก้าวร้าวไม่ฟังคําพ่อแม่พ่อแม่แม่ก็เลยเป็นทุกข์ใจอย่างมากไม่รู้จะทํำยังไงขอให้หลวงพ่อชี้นําชี้นําชี้แนะ ที่วิธีการที่จะสอนลูกเขาด้วยกว่ า, วาเดี๋ยวนี้ลูกเขากําลังเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวยกําลังหน้าไม่ฟังคําพ่อแม่แม่กเลยดูดูแล้วก็เห็นมองหน้าก็รู้เลยว่าทุกข์ใจเพราะงั้นน่ะหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าทุกข์ใจหน้าจ้อยงอยเงาเหมือนกั น, นแต่หลวงพ่อของเขาพูดอย่างนั้น่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อน่าจะแนะนําเขาให้ดีๆเนี่ย หลวงพ่อว่าเฮ้ยหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อแบบกล่าวสุนทรละพศเลยทีนี่เราจะบอกหลวงพ่อบอกว่าจะไปงอ้อเขาทําไมเราเลี้ยงเขามาใหญ่แล้วเขาบอกว่าพ่อแม่อย่างนี้ทุกจนอย่างนี้ไม่เอาใจอย่างนี้ทําให้เขาเกิดขึ้นมาทําไมเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมทําไมโทรศัพท์ไม่ซื้อให้เขามอเตอร์ไซค์ไม่ซื้อให้เขาเขาอยากจะได้สิ่ง อย่างคนอื่นเขาได้เนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่ซื้อให้ เ, เขาพูดอย่างงั้นใช่ไหมใช่มีส่วนอย่างงั้นแหละเหมือนน่ะมีส่วนอย่างนั้น น, นะ น, น่ะ ท, ท, ที่ที่เขาก้าวล้าวเออเราทำไมไม่พูดให้เขานี่นะเอ่อสมัยเป็นเด็กเธอก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเออทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำห้ก่อนมาเกิดมาเกิดกับเราทำไมไม่ดูเราซะก่อนเอ้ยพ่อแม่ของเราเนี่ยเธอเราเกิดใทุกยากแน่ เพ่อแม่พ่อแม่พอทุกข์จนเราไม่เกิดออกที่นี่แล้วททำไมไม่ไปหาเกิดกับพวกลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเขารวยๆทำไมมาเกิดกับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทุกข์เราจนทำไมไม่บอกเขาชัดๆเลยถ้ารู้แล้วว่าข้าเนี่ยคนเป็นคนจนสูสเสือกมาเกิดกับข้าทำไมทาไมไม่พูดอย่างนั้นอล่องพอว่าทำไมมาเกิดกับเราทำไม ถ้ารู้จักว่าเราทุกเรายากอยู่แล้วทํำไมไม่ไปเกิดกระลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเขารวยๆมีตังเยอะแยะในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเลือกเกิดไม่ได้เราก็รับลูกเลยถ้าเรารับลูกได้เนี่ยเราก็ไม่จะไม่เอาอีกอย่างนี้เหมือนกันถ้าลูกเกิดขึ้นมาแล้วตอล้อตอเสียงไม่ฟังคําก้าวเล้าอย่นี้ถ้าเปน็นนี้เราก็ไม่อยากจะได้อีกเหมือนกันนะลูกจะเนี่เราจะอยากจะได้ลูกดีๆ ม, ม, ม, มีมีมรดกมีนิสัยดี เออมีเชื่อเชื่อว่วาดในพ่อแม่ถึงจะทุกพ่อแม่ทุกยา ก, กเออพ่อแม่เราทุกยากเราเกิดมาแล้วเราน่าจะช่วยกันเราช่วยพ่อช่วยแม่พ่อแม่เออช่วยลูกเลี้ยงลูกให้ดีเอ่อต่อถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนั้นมันถึงจะถูกพ่อเกิดขึ้นมาถ้าจะมาดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่อย่างนี้มันไม่ใช่ลูกที่ดีลเลอถ้าาว่าเป็นลูกของหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์ก็เถอะนะ หลวงพ่อจะไล่นี้ออกจากวัดทันทีเอ้ยอย่ามาอยู่อถ้าบอกพกทันทั้งหลายถือว่าข้างโง่ข้าไม่มีบา ร, รมีะข้าไม่เอมีบุญหนักสักดิ์ใหญ่ทู้เจ้าจะมาอยู่กับข้าทําไมนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่านหลวงพ่อให้ให้คําแนะนํานะ เ, เพราะนั้นพวกลูกหลานคณะจตหาญาติโยมนะฟังฟังเอาไว้นะแต่เมื่อวานมันก่อนก็มาอีกกต่เสร็จมาเห็นมาเห็นคน ที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาไปในงานเขา่เขาเขาพูดกระปุกกระปับขึ้นมาเป็นผู้ชายนะประมาณทักหกสิบกว่าแต่ทว่าหมดทันใดการลูกผมมีอยู่ห้าหกคนแต่เสียก็มีได้ก็มีได้ก็คือเป็นข้าราชการกหลายคนแต่เสียก็ อ, อีกก็มีอยู่ เ, เท่าๆกันแต่ว่า น่าเศร้าใจครับท่านอาจารย์บางทีเขาไปหาเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะว่าเราเป็นพ่อเขาอีกต่างหากเพราะเขาอายหมู่เขา่เออเราเขาลงลไปกรุงเทพเขาอายหมู่เขาเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะให้เราเป็นพ่อของเขาอีกต่างหากเพราะเขาอายหมู่เขาเพราะว่าเราเป็นคนทุกคนจนเออหลวงพ่อในเย็นหลวงพ่อเข้าในในในเรื่องที่หลวงพ่อพูดในเอ็มพีสามของหลวงพ่อ เปี้ยได้นิด่ะว่ะเออแล้วก็หลวงพ่อเลยก็เชิยบกับพระเห็นไหมเอ็มพีสามหลวงพ่อคูดในวันนั้นนในคราวกรองนั่นน่ะมันเข้าตำรานี้พอดีเลยเห็นไหเออคล้ายๆว่าพ่อแม่ยากจนไปหาลูกชายลูกสาวแล้วลูกชายลูกสาวเมินเฉยต่อหน้ามือเพื่อนกลัวว่าตัวเองจะเป็นเอ่อเป็นลูกคนทุกคนจนเอ่อดูถูกพ่อแม่แต่พ่อแม่เห็น อยากจะได้โดดเข้าไปกอดลูกต่างหาก เ, เพราะว่าเห็นลูกแต่ลูกเนี่ยทำท่าเมินเฉยเนี่ยมันมีนะโล ก, กัน เ, นเองหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือจึงมีนิทานวก็มีเรื่องเขาเปรียบเทียบลูกชายอยู่บ้านนอกอพอเข้ามาในเมืองเลยได้รับการศึกษาที่ดีจากนั้นก็มีคนชุบเพลี้ยง เ, เขาก็เป็นคนมีฐานะขึ้นมาได้ทาการ เ, เป็นเจ้านาย ใหญ่โตในระดับที่ว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาทีนี้ก็แต่ว่าลืมตัวนะเป็นคนลืมตัวแล้วในพ่เขา อ, เอาอยู่ในเมืองไปอยู่ในเมืองนี่แทำมาค้าขายที่พ่อเขาอยู่ในบ้านนอกคิดถึงลูกนะเออย่างไงลูกของเราอยู่ทามาค้าขายอย่างไรวันที่สองก็ อ, อทราบข่าวว่าเขาอยู่ตรงนั้นออติดต่อได้แล้วก็เลย ตามภาษาบ้านนอกเวลาเขาจะไปเยี่ยมยามถามใครเขาเขาตอนมีพวกมักขามบางน้ำพึ่งบางหน่อไม้หนอน้ำบางพวกเห็ดพวกอะไรบางของป่าเนเออเอาไปฝากคนที่รักเขารบนับถือกันเออจากนั้นเขาก็ดีอกดีใจแต่นี่เขาลืมคิดว่าลูกชายของเขาอยู่กรุงเทพใช่ไหมละ่ะ เ, เขาเอาของพัน น, นั่นแหละเอ่อหน่อไม้หนอน้ำพวกเห็ดพวกของป่ามาฝาก พอมาฝากเจ้าหนุกชายเห็นโอ้ตายอายขายหน้าหมูพกเปื้อนเออเราจะไปทําอาหารที่ไหนหม้อที่ไหนครัวที่ไหนอันของพันนี้มันของบ้านนอกเออก็เพื่อรีบๆๆเก็บเก็ บ, บ, บ, บ, บ, บแล้วก็เห็นพ่อใส่ผ้ า, าสโลงภัยอะไรขึ้นมาพ่อไม่ได้ขายหน้าคนที่สุดลูกชายก็เลยรีบไปตัดเสื้อใส่ให้ทันสมัยเหมือนกันใส่สูตรเข้าไปให้ทันสมัยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกั บอกกำชับพอนะ่พอพอพอพอถ้าผมทำยังไงให้ทำตามที่ผมทำนะเอออย่าไปทำออกอย่างที่นั่นนะอย่าไปแสดงออกเดี๋ยวก็จะว่าบ้านนอกนะเออทางพ่อก็เออผู้พ่อได้ก็กลัวจะขายหน้ า, านลูกใช่ไหมแ่จากนั้นผู้พ่อแลวก็เลยพาไปทานอาหารร้านปาตังกโกดื่มโอวันตินเหมือนกัน พอดื่มโอวตินเสร็จแล้วกับลูกชายก็พาไปไปเดินไปก็ไปเห็นอ้อยอ้อยที่เขาคันคันเป็นโคกโคกนะ่ยเออก็เลยกินอ้อยล้างปากอีกที่นึง่งเหมือนกะันเออก็เลยเอาชื่อให้คนละถุงกับพอ่อตั้งผู้พ่อนะี่ก็ได้อ้อยถุงหนึ่งเห็นลูกชายเขาก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวตอนนี้จะไปเอาลงถนนก็ไม่ได้ใช่ไหมเออพอเคี้ยวเข้าไปมันหายเงียบพอลูกชายเขานะี่มีผ้าเช็ดหน้าใช่ไหม พอขายอ้อยออกไปเขาก็ใส่ผ้าเช็หน้ากำไว้อแล้วก็เกี้ยวๆเราขายผ้าเช็หน้ากำไว้แต่ผู้พ่อเนี่ยมองไม่เห็นว่าลูกชายเนี่ยขี้อ้อยมันเอามไปไว้ไหนเพราคนกรุงเทพมันเขาคงเกินขี้อ้อยมั้งที่ว่านะเออพอใที่สุดผู้พ่อเนี่ยไม่เห็นลูกชายเขาขายขี้อ้อยใช่ไหมลูกชายเนี่ยเกินเอ้าพ่อเนี่ยเขาบอกเกินเอ้าเกินหนักกว่าจะเกินขี้อ้อยได้มันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมนะเออ เกินขี้อ่อยเดินี้เดินๆไปอีกอลูกชายเลยก็คิดสนุกใช่ไหมล่ะไปเห็นกระป๋องมันเขาทิ้งเลยข้างถนนเลยลูกชายเลยก็ทำท่ากระโดดเตะปังเลยนะเป็นแบบคนหนุนทั้งผู้พ่อเลยก็กลัวว่าเมื่อลูกชายเตะแล้วเนี่ยตัวเองไม่เฉยๆมันไม่ทันสมัยใช่ไหมลูกชายพ่อเลยกระโดดเตะต่อเอ็กเหมือนกันเถอเพื่อให้ดูให้มันทันสมัยเพราะ ล, ลูกทํายังไงผมผมทํำยังไ ง, ง, ไงให้ทําอย่างนั้นนะพอนะฮะ พ่อเป็ชื่อใช่ไหมล่ะพ่อกันโดเตะต่ออีกตอนนี้ก็จากนั้นก็เลยพาไปพ่อไปทานทานก๋วยเตี๋ยวเองไปทานก๋วยเตี๋ยวมาคนละชามกันคนละถ้วยกันพอกินไปกินไว้ทุกทุกชายถึงนึกขำพ่อที่ว่าพ่อไปโตไปเตะกระเป๋าเนี่ยเหมือนกันเนีตามวิจิงพ่อบ้านนอกไม่ได้จะไปเตะอย่างนั้นพ่อกัพ่อกันชื่อชื่องงงเยเห็นเราเตะลูกพ่อก็ไปเตะด้วยเนี่ยเตะต่ออีกเนี่ย ขอนึกไปนึกขอนั่ก๋วยเตี๋ยวไปนึกไปนึกมาคือขำพ่อเหมือนกัเนีที่ที่พ่อทําอย่างนั้นเอก็เลยแบบหัวเราะแบบไม่ได้ตั้งใจนะพ่อพ่อหัวเจาพัดไค้แกหัวหัวเราะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพ่าด้เส้นก๋วยเตี๋ยวทะลักออกทางจมูกของพ่อเหมนกันเถอะเหมือนกับเป็นน้ํามูกเลยพ่อออกทางจมูกผู้พ่อผู้พ่อก็มองเห็นเลย เห็นคือเส้นข้ยเตี๋ออกทางจมูกลูกชายใช่ไหมผู้พ่อก็เลยบวนขึ้นมาว่าลูกทำอะไรลูกพากินขี้อ้อยพ่อก็กินได้แต่ก็ทนเต็มทนแม่พ่อลูกเตะกระป๋องพ่อก็เตะได้แต่ว่าลูกเอาเส้นข้ยเตี๋ออกทางจมูกพ่อทำด้วยไม่ได้แล้วลูกเลยผู้พ่อผู้พ่อยอมแพ้ว่าือนกันยอมแพ้ที่ลูกชายเอา เส้นกนต้ววเตี๋ยว อ, อกทางจมูกกวัวกันผูพ้พ่อเนี่ยยอมพุ่นพ่อเนี่ยยอมแพ้นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คื อ, อการเป็นอยู่ทางลูกชายเนี่ยโดยมากจะลืมบึงลื ม, ลมระคุณของพ่อของแม่คนรุ่นใหม่หลุงพ่อไปน่าจะฐานที่ใดลุงพ่อบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลาย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 ลูกหลานที่มีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่ อ, เ, อ, อเพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเรียกมาเพื่ออะไรก็เมื่อเราเท่าแก่ชราแล้วลูกของเราจะได้ดูแลเราต่อไปอันนี้นั่นคือพ่อแม่ความตั้งใจของพ่อแม่ลึกๆในจิตใจแต่บางคนพอเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บ้านเนี่ยก้าวก้าวร้าวพ่อแม่อิจต่างหากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับ ลูกหลานทุกคู่ทุกค น, นที่มีพ่อมีแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญกิุศลกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกธิดาถ้าเราทําดีกับพ่อกับแม่แล้วลูกของเราเนี่ยทายาทของเราต่อไปภายภาคหน้าที่เป็นลูกของเราเราก็ต้องเขาก็ต้องมองเรา ในเมื่อเราทำดีกับพ่อกับแม่ลูกของเราก็ทำดีกับเราจะเป็นทายาทเป็นคนดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำตนไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยลูกของเราอย่าหวังเลยลูกของเราจะดีกับเราไหอมันเพราะกรรมชั่วที่องค์ตัวเองทำลงไปแล้วนะ่ะกรรมจะนั่นจะตามสนองทําให้พวกเราเดือดร้อนเป็นทุกไม่เชื่อลูกก็ไม่เชื่ อ, อ, ไ, มอไม่เชื่อในโอวาทของเรา เพราะอะไรเพรกตัวเองทําสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วกับพ่อกับแม่กรรมนั้นมันตามสนองฮะถ้าเราทํากรรมไม่ดีไว้กรรมนั้นแต่จะตามสนองพวกเราแต่ว่าอีกวันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับคณะทาญาติโยมเก่าแก่ลูกหลานทุกคนพวกเราคงอยากจะทราบว่าเจดีย์ของหลวงตาไปถึงไหนแล้วทุกครั้งนะ ถ้าพวกเราสังเกตพวกเราจะรู้จะได้ฟังว่าเออหลวงตาหลวงพ่อเองมาที่ไรทั้งกับปารึถึงเกดีย์ของหลวงตาของพวกเราเพราะว่าหลวงพ่อเองกับทีวันหลวงตาของเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาหลวงปู่ลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อผมพ่อมาที่ไรหลวงพ่อก็ต้องน้อมลำลึกถึงพระคุณจะบูชาเป็นอามิตร อามิจบูชาเนี่ยเราจะทํำยังไงบูชาพระคุณองค์หลวงตาเนี่ยแหละหลวงพ่อจังที่ยากจนหลวงพ่อกบอกว่านี่นะหลวงพ่อจะร่วมสมทบสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาห้าสิบล้านพูดเมื่อพูดเมื่อก่อน เ, ออเมื่อวงังวางศิลาฤกษ์พวกเราก็คงได้ยินหลวงพ่อก็ยังยืนยันคําเก่าอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวมันกับุปัตตุเปทุรัูลเล ลูกศิษย์ลูกหาขององค์ลงตานานาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นพวกเราก็เลยที่จะออกแบบคราวนั้นที่วางซิลเลกร์ที่ว่าจะสร้างในคราวนั้นก็จําเป็นจะต้องออกแบบใหม่เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันเขาก็เลยมาย้ายที่ใหม่ย้ายที่ใหม่ก็ย้ายทีมาฝากถนนนะแล้วก็เขียนใหม่ขึ้นมาแล้วนะแต่ก่อนเจดีย์ของลงตาในประมาณ38เมตรความสูง แต่เขาเขียนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาไปตรงที่น้องตรงนั้นเน่เนื้อที่ประมาณ180ไรนะ่ตรงนั้น่ะมันกว้างก็จะสร้างจะทำา38เมตรใครเขาบอกแผนดินมันจะบีบเจดีย์จะทำให้เจดีย์เล็กและเนาะเล็กตะตำด้วยเท่าก็เลยขยายขึ้นไปอีกเป็นเจดีย์สูง50เมตรแต่ว่าเดี๋ยวนี้การออกแบบและการเขียนรูปพระเจดีย์นประมาณ ประมาณ70เซเพราะเขาออกแบบใหม่ทั้งหมดอันเก่าเนี่ยเขาว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าการจะเอาไว้ก็จะสับสนเดี๋ยวคุจะเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นเดี๋ยวผู้ก่อสร้างมันจะสับสนเพราะข่าวก่อนเนี่ยเขียนแบบออกมาเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าแผน่นแผ่นละพันกว่าบาท น, นะท่านอาจารย์พรว่านนะแต่ข่าวนี้พันกว่าแผน่นพันกว่าแผ่นก็คือทั้งเจดีด้วย ทั้งศาลาบรรจุ อ, อ, อ, องค์หลวงตาด้วยแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาด้วยรวมกวันแล้วประมาณพันกว่าพันกว่าแผน่นแอบพันกว่าแผ่นนี่เถเขาบอกว่าถ้าคิดต า, ตามสถาปนิกตามช่าง ก, ก็ประมาณพันสองแต่ละแผน่นนี่อันนี้คือเขาเขียนเนี่ลายละเอียดไอ้ถ้่ว่าพอออกมาแล้วเถียงกันไม่ได้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแค่แคว่าผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้าง จะต้องดูในรายละเอียดเจดีพอองค์หลวงตาอันนี้คื อ, คอเขาผมหลวงพ่อได้ยินเข้าๆมาแต่ตอนนี้เขาเขียนจบไปแล้วปร ะ, ประมาณสักเจ็ดสิบเเซ็นแต่ว่าปีห้าแปดคิดว่าคงได้ทำแน่เพราะนั้นวันนี้วันนี้หลวงพ่อขึ้นไปคงไม่ไปไวิทไปไม่ถึงวัดนะพอไปถึงอุดรหลวงพ่อคงจะไปพักกับวัดอีกวัดหนึ่ง ใกลจากเมืองอุดรประมาณสัก30กิโลเมตรวัดของท่านรัตนาน่ยวัดป่ารวมธรรมที่หลวงพ่อจักรยานยมถวายที่ดินหลวงพ่อไปสร้างไว้เพื่อให้ท่านรัตนะไปอยู่พระจำมัตสาหรูปหลวงพ่อกคงจะไปพักที่นั่นก่อนและก็ฉันจังหารเสร็จแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงทางผู้วารัชการจังหวัดอุดรผู้ว่าอดีตอดีตผู้ว่าที่แล้วนะและก็บผู้ว่าใหม่และกัหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นิมนต์ครูบาอาจารย์เขาเขาเขานิมนต์หลวงพ่อจุดใจนะนะออกมารม่วมประชุมเขาก็นิมนต์หลวงพ่อด้วยประชมบ่ายสองโมงเพื่อหารือเกี่ยวกับสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะวันพุ่งนี้นะคณะท้าทายจะจวบบ่ายสองโมงใกล้ถวันนานนานเต็มคนแล้วเออพึ่งผู้ว่าพึ่งนัดวันคือหลวงพ่อลงมาเนะี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องผู้ว่าท่านก็ น, นัดโทรเข้ามาหา คนของหลวงพ่อหลวงพ่อเออเอาได้ได้ถ้าไม่มีอะไรหนักหนาไม่เจ็บใครได้ป่วหลวงพ่อยินดีจะมาฟังเจตีขององค์หลวงตาจะทำยังไงแต่คือตามการประชุมนัดนี้ก็คงจะคงจะหาหรือกันเป็นพื้นฐานสะก่อนว่าเป็นไงพื้นดินเรามีไหมพรม้อมไหมตรงตรงไหนจุดไหนแล้วกเ็เมื่อแปลนออกมาแล้ว เราจะรองรับยังไงกรรมการยังไงใครจะเป็นคุณดูแลยังไงคงจะคงจะหาหารือกันเป็นเบื้องต้นหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็หลวงพ่อค า, าดการไว้เฉยๆเพราะใบใบสองโมงวันพรุ่งนี้แหละคงจะหารือกันถ้าว่าได้ความยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเดีเ๋ยวหลวงพ่อจ ะ, จะบอกกล่าว เปียนให้พี่น้องคณะสถาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายได้ทราบเพราะว่าเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยยังค้างค า, าในใจของพวกเราอยู่อยากจะให้เสร็จอยากลบปูบนมีท่านก่อน อ, อยากจะให้เสร็จเหมือนกันวันไหนจะเสร็จวันไหนจะสร้างท่านก็ถามถ่ายอยู่ตลอดแต่หลวงพ่ อ, อก็สูตรแท้แต่ช่างเขาผู้ออกแบบแต่ก็พยายาม เ, เราก็พูดตรงก็ไม่ได้เพราะมันอยู่เบื้องสูงเรากับพูน คนไหนที่จะส่งข่าวไปหาเขาได้หลวงพ่อก็พยายามต่อต่อส่งข่าวไปใบ ป, ปลายเออเรียบๆรีย บ, บหน่อยๆเนอะลูกศิษย์ลูกหายังคอยอยู่อผู้บายอาจารย์ยังคอยอยู่เ อ, อา ย, าย่งอยอยายงไรหลวงพ่อก็พูดในลักษณะอย่างนั้นแหละออแต่คล้ายๆว่าไม่ได้ออไปจำชี้จำชัย อันใดเกินไปมันก็มันมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ควรจะทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยรหลวงพ่อทราบข่าวมาเพียงเท่านี้นะครับนักสัาญาติโยมแต่ถึงยังไงแต่ส่วนลึกแล้วก็บอกว่าปีห้าแปดจะได้ลงมือในเมื่อลงมือแล้วก็คงจะใช้เวลาสามปีแต่เขาว่าไม่ไหวสามปีหรอใช้เวลาสามสิบเดือน 30เดือนหลวงพอ่อเอถ้าถึง30สเดือนเราเอาสามปีให้เลย36เดือนก็นแล้วกันคนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องใจดีแต่เรื่องจะตกปัจจัยแตเ่เรื่องจะตกปัจจัยนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อบำรุงที่นั่งอยู่ข้างหลวงพ่อที่ท่านเป็นรองจอวาดวัดป่าบันตาทั้งว่าผมก็เห็นตัววิ่งของเขาออกทางโทรทัศน์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดสี่ร้อสองล้าน 400สองร้อยสองล้านแต่อยู่กับฟ้าหญิงอีกเลยคนถวายฟ้าหญิงอีก100ล้านมันก็เป็น500ร้อยล้านนะใช่ไหมละ่ะและ้วก็อาจจะมีอยู่กับฟ้าหญิงอีกที่คนถวายต่างกลัมต่างบาระอันนั้นเราไม่รู้นะแต่กับหลวงพ่อนี่ยก็ยืนยันของหลวงพ่อเอง50ล้านแต่ว่าห้ล้านของหลวงพ่อเนี่ยถวายฟ้าหญิงไปแล้ว2ล้านนะบุค ล, ลานนะยังยึดยังเหลืออยู่ครบหงลวงพ่อเนี่ยสี่สิบปดล้านเหนกะั หลวงพ่อก็ยังยืนยันคำเก่าถึงยังไงหลวงพ่อก็จะพยายามหาสมทบให้องค์หลวงตาไม่ว่าจะเพียงแค่นี้ล่ะถ้าได้ลงมือสร้างหลวงพ่อก็จะเอาศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดเนาะเงินกระถินเงินผ้าป่าหลวงพ่อก็จะรวบรวมเข้าไปเพื่อจะให้เจดีย์องค์หลวงตาเสร็จแต่คนก็ถามเหมือนกันนะเจดีย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อประกาศไปนั่นหลวงพ่อจะสร้างไหมหลวงพ่อสร้าง อันนเรื่องเรื่องทีหลังแต่ถึงยังไงต้องให้ให้พ่อขึ้นก่อนคือให้องหลวงตาขึ้นก่อนคือขึ้นวัดป่าบ้านตาดก่อนของเราค่อยๆทำทีหลังเว้นเสีย BUT, แต่วัดป่าบ้านตาดไม่ขึ้นเราอย่างค่อยว่ากันแต่วัดป่าบ้านตาด จ, จะขึ้นก็ควรจะให้บ้านพ่อขึ้นก่อนแต่ของหลวงปู่รียล่ะหลวงปู่เีนะท่านอายุมากแล้วเราไม่ควรนั้นท่านหลวงปู่รีท่านขึ้น อที่ผ้าแดงของท่านนั่นแหะมันก็เป็นเจดีย์ของหลวงตาด้วยเอก็เป็นของหลวงปู่ในโดยในด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงปู่ที่ท่านสร้างตงนั้นก็เหมาะสม่ะดับแต่สําหรับหลวงพ่อเองนรืหลวงพ่อเนี่ยต้องให้หลวงตาวัดป่าบ้านตาเดินหน้าซะก่อนจัดตุกปัญใจพอซะก่อนเอราอย่างค่อยว่ากันที่หลังเราไม่ใช่ของรีบของด่วนหรอกเอ ถ้าตายไปแล้วกแล้วไปถ้าหางวัดถูกหลานเขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็เออยังค่อยทําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก่อนจำพัญให้บูชาพระคุณขององค์หลวงตาก่อนเป็นเพื่อเราเออเป็นลูกเป็นหลานท่าน เ, ออเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเรายกชูบูชาองค์หลวงตาเป็นพ่อแม่ผูบารมีของพวกเราเราต้องให้ในท่านเคลื่อนก่อนเออ แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดอ่อาไหนดีที่สุดอยกันจุดนั่นแหละพวกเราควรจะทําอย่างนั้นะ เ, เนี่ยอวันนี้หลวงพ่อก็ได้เรียนให้กับคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทุกคนเนอะแล้วก็เมื่อฉันจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกับพงจะเดินทางกลับประมาณจั่วทิงเที่ยงวันนะฮะกองจะไม่ไปไม่ถึงวัดอย่างที่ว่านะไปพักครึ่งทางซะก่อนแล้วก็วันพุ่งนี้มาไปชุม ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรและจึงจะเข้าวัดต่อต่อไปอ่าตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมันาให้พรนะนะั้นที่นี่นะรับพรแล้วกับฟร้องกันอุนทิศสวนกุศลด้วย